เพราะนั้นสุขแปลว่าพอทนได้ง่ายทุกแปลว่าพอทนได้่าวาทุกแปลว่าทนได้ได้ยากสุขแปลว่าทนได้ง่ายเพราะนั้นภาวะที่ที่เราต้องทำคือพอทนได้พอทนได้คำว่าพอทนได้คือหลักมัชชีมาปฏิปทาทนได้ยากเป็นสุดตรงทางการมสุขานิการิโย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 หลวงพ่อชาอะไรก็แต่สมมติว่าท่านอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เดินประทักศิลท่านสามรอบแต่ว่าอย่าเดินไวนะเดินช้าๆสบายๆให้เป็นแถวเลี้ยงสองจากนั้นเราก็นั่งปฏิบัติข้างบนสักพักหนึ่งแล้วลงมาสรุปสรุปบทเรียนกันกที่นี่ด้วยการถามปัญหาค่สงสัยทั้งหมดะที่บรรยายมาทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ให้โยมมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่ให้มา